แล้วก็มีความเศร้าใจเป็นอาการปรากฏนั่นะเศร้าใจนึกแล้วเศร้าอนะบอกว่ามีหรือมีหัตยาวัตถุเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะหัตยาวัตถุเป็นเหตุใกล้คือหมายถึงว่ามันหัวใจมันเต้นเริ่มไม่ค่อยปกติเนะี่มันใจแหมมันไม่ปกติเอาเลยอ่ะใครที่เคยเจริญสมาธิที่แยกไอ้ความทุกข์เหล่านี้ออกเนี่ยนะจะเข้าใจเลยว่าโอ้ความทุกข์เหล่านี้มันเข้ามาเนี่ยนะ กรรมฐานก็ไม่เจริญสมถะวิปัสสนาก็ไม่ไป <c oughs> อันหนึ่งเพึ่ทราบ ว, วินิจฉัยในข้อว่าความหมายของอุปายาที่เป็นทุกข์ต่อไปนี้ว่าอุปายาตแม้นี้ตัวเองไม่เป็นทุกข์แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์คือเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสองนะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลถูกพระราชากิ้วถอดยศมีบุตรและพี่ชายน้องชายถูกประหารตัวเองเล่าก็ถูกสั่งฆ่าก็จะเข้าไปสู่ดงเพราะความกลัวหลบหลีกแล้วก็ถึงความเป็นผู้เศร้าใจอย่างใหญ่หลวงย่อมเกิดทุกข์กายมีกําลังเพราะยืนเป็นทุกนอนเป็นทุกนั่งก็เป็นทุกนะก็คิดดูนะตัวเองเนี่ยถูกถอดยศหมดเลยนะถ้าเคยเป็นใหญ่เป็นโตเลยนะถูกถอดยศภายในะไม่กี่นาทีเนี่ยนะ สั่งปลดเลยเนี่ยแล้วพี่น้องชายก็สะถูกข่าไปหยกๆเลยอะ่ะตัวเองก็หนีสะบักสะบอมตลนตลนตลอดไปเนี่ยนะพวกนี้ถามว่ามันทุกข์ขนาดไหนนะมันก็มันก็ทุกข์จริงๆนะอย่าว่าอย่าว่าเรื่องมันหนักขนาดนี้เลยของมานี่เคยอยู่ครั้งหนึ่งมีเรื่องครั้งหนึ่งไอ้เพื่อนก็ชวนไปรักอ้อยอ้อยของป่าไม้ไอ้เขาเขาก็ปลูกป่าไหมก็อ้อยอ้อยแข็งโปกนี่แหละอ้อยโรงงานนี่แหละ เขาบอกว่าไปขโมอ้อยกแล้วก็ไปไปกับเขาไปแล้วก็ลักอ้อยมาได้ต้นสองต้นนี่แหละเขาจับได้โอ้ยเขก็มัดมือเราเนี่ยนะจับไปส่งเราถึงยายเลยบ้านยายเนี่ยโอ้ยทุกข์มากเป็นไรเนีนลักอ้อยผมไม่ได้ลักอ้อยครับ เล่นการพนันกันอยู่หน้าโรงเจเล่นไพ่ป๊อกอะไรเนี่ ย, ยตัวเล็กอยู่เลยสิบขวบสิบสองขวบหรือไงมันกำลังเพลินเลย้ตำรวจมาจากไหนไม่รู้ครับ <c oughs> โอมาหลายคนเลยมันจับหมดทุกคนเลยจับเสร็จเอาผ้ามามัดมือเดินจุงมไนแถวเลย <c oughs> โอปะจานตอกทั้งปลอกเลยครับ <c oughs> โอโหไปโรงพัก แม่เราตกใจฉี่ลาดเลยเนะตำรวจก็ถามว่าเอ้ยใครเยี่ยวะ่ะหมาดิ้นตอบว่าเป็ผมครัปราคนไม่ได้ตอคนเดียวแล้ อ, อีกหลายคนตอแล้วก็ผมครับนี่กผมครับพามามัดมือเอาไป<ม>นู่นเลยโรงพักเลยเอาไปถึงก็ไปนั่งเขาไม่ให้เข้าห้องขังเขาไปจับไว้ในห้องอ โอ้โหเรานึกนี่ต่อไปก็จะเอาหลับไปไว้ที่ไหนวันนี้โอ้นั่งร้องไนหะ้อยู่เลยนะเป็นเป็นนั่งอยู่ตั้งครึ่งวันนะไอ้พี่เขยเรามาผ่านไปวนล็อกกิ๊กกิ๊กนกะิ๊กกิ๊กกิ๊ะไอเราแปลกใจไอพี่เขยเราทำัมไอหลอมหลงทุกข์กันนะทำไมพี่เขยมันวนร็อกตั้งนันน่ะโอ้โหพอเย็นๆเขาปล่อยกลับบ้านผมไม่กล้าเดินตอกนั้นเลยเขาไปเข้าหลังต่ออ้อมมาอีกมันอายมากนะ ไปโรงเรียนก็เฮ้ยอย่าพูดนะบอกเพื่อนๆในคนมารู้ใช่ไหมอย่าพูดนะอ้ความอายมากหมืตั้งนั่นผมขอบใจตำรวจเลยเล่นคามานางจกระั้งเดี๋ยวนี้เลยโทรมานัดมากทุกมากเลยนั่งเครียดอยู่ทั้งวันเลยนะกลัววาไปปล่อยเกาะเกาะสีชังเลยเราสมัยนั้นกำลังดังเรื่องปล่อยเกาะพอดีมั้ง มันนึกแต่ว่าไอ้ตอนนั้นมันทุกข์จริงๆนะมันไม่ได้ไม่ได้ไไดทุกข์เล่นๆนะพูดตอนนี้มันก็ขำใช่ไหมแต่ตอนนั้นนี่มัน <c oughs> อุ้ยเครียดมาก <c oughs> <c oughs> บอกว่าถ้าหากว่าแล้วนี่ขนาดเรื่องเล็กๆอย่างนี้นะแล้วคนที่แบบว่าแมบพี่น้องมันตายไปต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยแล้วตัวเองก็หนีซุกหนีหัวสุกหัวสุนเนี่ยนะมันจะทุกข์ร้อนขนาดไหนอธิตาเลือกคนเดียวเนี่ย <c oughs> ใช่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงนั้นไปไปอุบลกลับมาแล้วก็มาที่พนมสารคามมามาตรงเลยเขาหินซ้อนมาทางพนมสารคามหน่อยช่วงนั้นมันก็ตีสี่ละตีสี่ตีห้าเนี่ยฝนตกฝนตกก็มีรถเนี่ยจากพิจิตรนี่แหละคนพิจิตรเนี่ยไปซื้อผ้าที่อรันจะเข้ามาเอาผ้าไปขายกรุงเท พ, พก็ก็ผ่านมาตรง แล้วแถวนั่นพอดีทีนี้รถพ่วงมันก็เยอะใช่ไหมรถพ่วงมันก็วิ่งมาแล้วรถพ่วงอีกคันหนึ่งมันแซงมันแซงก็ทางนี้มันหลบไม่พ้นอ่ะนะมันก็เลยชนกันชนกันเนี่ยโหตายสมองเกลื่อนเลยสมองเนี่ยตกบนถนนเกลื่อนทีนี้ไอ้รถที่เราไปเนี่ยที่ที่มมานั่งอยู่เนี่ยเป็นรถของไอ้พวกเก็บศพอยู่แล้วพวกนี้อาสาสมัครชอบเก็บศพในเขตพนมสารครามพอดีเลย ตรงนี้ก็เลยลงไปโบกรถไปอะไรเนี่ยไปไปเป็นจราจรชั่วคราวเก็บศพเก็บอะไรเนี่ยไปช่วยกันเนียเราก็เดินไปเนี่ยนะเลือดกลิ่นเลือดนี่มันขาวคลุ้งไปหมดเลยแล้วมันก็มีสมองมีอะไรตกเต้นถนนเหมือนกับเนี่ยร็จแล้วผู้หญิงคนหนึ่งมันก็รอดตายกขาบอกพี่สาวเค้าอะ่ะพี่สาวเค้าก็ร้องแล้วก็รถมองไปรถรถมันก็มันก็ขาดไปหมดแล้วนะ ตัวตัวหลังคาตัวอะไรมันยุบมันเสียหายมากมันไม่มีเหลือชิ้นดีแล้วไอ้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมันปลอยเลยริ้วไปตกนู่นข้างถนนไกลามากไปตกตายอยู่ทางไกลนั่นก็ตายไปหลายศพอีกหลายคนก็ส่งโรงพยาบาลแต่บางคนก็แค่บาดเจ็บนิดๆห น, น่อยๆก็ไอ้ญาติที่เหลือเนี่ยมันก็ร้องให้นะฝนก็ตกด้วยตกพรำพรำๆแล้วก็เลือดเกรนคาวคราคลุงมันมืดด้วยนะตีสี่เนี่ยตีสี่ตีห้านี่มืด ร้องไห้กันตังมเลยแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยถูกภาวะบีบคั้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะมันถ้าใครที่อยู่ในภาวะบีบคั้นขนาดนั้นเนี่ยเราจะทุกข์มากเลยเนะมันถ้าดักคิดดูนะถ้าเป็นทหารในสงครามเลยเนะอดอยากขาดอาหารได้หลายวันเนี่ยนะมันมันจะเครียดขนาดไหนนะจะขับแค้นใจขนาดไหนทํำอะไรก็ทําไม่ได้ในสวสก็บ้าดีเดือดกันขึ้นมาแล้ว คนนี้ก็ทุกในวะตฏะมันก็เป็นอย่างนี้แหละาคาว่าทุกเนี่ยนะที่มันเป็นที่ตั้งแห่งทุกพวกนี้ก็เศร้าโศกเสียใจเนืองๆนึกแล้วก็เศร้าใจเสียใจเนี่ยนะ่ถ้ายัางเศร้าใจนี่แสดงว่าเรื่องนั้นมันไม่ค่อยยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมามันก็เดือดร้อนและปัญหาที่จะแก้ต่อไปนี่ก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะอันนั้นมันจะทุกขนาดไหน แต่ว่าวัดต่าที่เราจะไปในระยะยาวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ผ่านมาก็เดือดร้อนแล้วก็อุปสรรคที่จะไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเดือดร้อนขนาดไหนนะวันเคยอ่านหนังสืออะไรนะติโตนะติโตชื่อติโตคน<ม>ั้นนั่นใช่อะไรนะติโตะนะที่ในหลวงแปรนะก็โหชีวิตมันเกิดมาอยู่ในในโลกของสงครามตลอดเลยเนะผ่านสงครามมานีตายหัวสุกหัวซุน แล้วก็อะไรนะเวลาเขาขนขนพวกพวกที่ตายเนี่ยนะอพวกบาดเจ็บเนี่ยสี่พันคนอย่างเงี้ยลำเลียงพวกบาดเจ็บเนี่ยนะสี่พันคนสี่พันคนห้าพันคนค่อยๆทยอยตายกันไปเรื่อยสงครามก็พวกเยอรมมันก็ดักล้อมหน้าล้อมหลังก็เตรียมหนีกันกระเซาอกระเซิงสะพานก็ขาดเนี่ยนะก็แล้วอยู่เป็นสิบๆปีะนะมันไม่ใช่สองวันเนี่ยนะ ถ้าสามวันสี่วันหรือสักอาทิตย์หนึ่งก็ก็ก็ยังค่อยออยังชั่วเนะมันเป็นปีๆอ่ะนะประชาชนตายไปเป็นล้านอย่างเงี้ยนะนจะทุกร้อนขนาดไหนฮิตเลอร์เกิดมาคนเดียวนี่โลกก็วินนาดเลยนะคนอื่นเดือดร้อนเป็นเป็นแถบแถบเป็นทวีปทวีปเนี่ยนะเดือดร้อนถึงไทยด้วยไหมถึงไหมถึงนันนะสมัยสงครามโลกอ่ะนะห น, หนึ่งสอง ฮิตเลอร์เนี่ย<อ>สงครามโลกครั้งที่สององที่สองไม่ฮิตเลอร์ครั้งที่สองฮิตเลอร์สงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่สองอมเลยก็ไดโอ้โหเดือดร้อนเมืองไทยมากนนก็ก็เมืองไทยเนี่ยที่ที่อะไรนะที่เขาบอมกันที่วันก่อนอวันก่อนคุณหมอบรรลเล่า ว, ว่าพ่อของเขาเนี่ยไปส่องกระจกจะแต่งตัวนะแล้วแล้วเพื่อนคนหนึ่งมาขอแต่งตัวแทนะ่ะ แล้วเพื่อนตายแต่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะนะที่ที่กําลังเพื่อนกําลังแต่งตัวเนะี่ยก็แล้วก็เคยอ่านหนังสือประวัติสมัครศะลธรวีสมัยเขาวัยรุนร่นวัยรุ่นเนี่ยก็หลบแต่ระเบิดเนี่ยนะนะอ่าเล็กๆกันนะไหมเล็กๆ ก, ก็นนะกกกกจุงอุ้มลูกพุ้มล้านทุกการหนีไปอยู่ที่ไหนไม่ไม่ได้หนีนะก็ ม, ะมีแต่คนที่หนีไปยกเขไปอยูอ่ สมัยสมัยสงครามอ่ะนะเขาก็มีเพื่ไปเช้าเขามา้มาเย็นนูเข้าไปนอนดีแต่ว่าไม่คนนะครับก็เดือดร้อนกันนะนะเสียวสยองเลยหลังเวลาบินขึ้นเครื่องไปแล้วก็บินมาแล้วก็อย่างแนวโน้มในโลกนี้สงครามมันก็ไม่ได้จะคิดจะเลิกราอะไรนะสมมติถ้าสงครามเกิดขึ้นในยุคต่อๆไปเลยนะ อย่างสมัยที่มันใช้สะพานอยู่เส้นเดียวอย่างเงี้ยนะขนาดสะพานไม่ได้ตัดขาดนะรถมันยังติดขนาดนี้นะถ้าสะพานมันขาดสักสามสีสายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะกรุงเทพเนี่ยถ้าอย่างชีวิตในกรุงเทพเลยนะยิ่งเดือดร้อนมากแล้วชีวิตของเราทั้งหลายมันสบายใช่ไหมกินเผือกกินมันไม่ค่อยเป็นแล้วเนี่ยนะไม่รู้ว่าผลหมากลากไม้มันอยู่ตรงไหนกินไม่ค่อยเป็นอย่างไรถ้ามีสงครามเนี่ยตายกันเกลื่อนเลยนนะก็ แนวโน้มของโลกเนี่ยมันไม่ได้ศัดูทําท่าจะสงบร่มเย็นขึ้นนะไม่ใช่เนี่ยนะทท่าจะเดิดขึ้นเดือดขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยพัานท่าความทุกเหล่านั้นเนี่ยจริงๆเราก็เดินไปหาก้องทุกกันอยู่นะซึ่งจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามทุกทั้งหลายก็จะมีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะชาตินี้อย่างเดียวนะถ้ามนุษย์เนี่ยมันแนวโน้มอายุมันจะเสือเส่อมลงเ right? สื่อมลงเลยสงครามมันก็จะมีมากขึ้นการเข่นข่ากันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จะไม่ได้สงบร่มเย็นอะไรความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็นั่งสบายใจแม้แต่ครู่หนึ่งคงไม่มีหรอกสงครามเศรษฐกิจก็เดือดร้อนกันก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ก็มันสงครามปืนจริงๆแหละเพราะว่าประเทศที่ผลิตอาวุธมากๆเลยนะถามว่าถ้าไม่มีสงครามในอาวุธไปทำอะไรพวกนี้ก็ปั่นให้มันเกิดสงครามขึ้นนะัะน อาวุธมันก็ขายดีขึ้นเลยนะก็ดูนะโอ้มิจฉาชีพเอามากเลยนะ ถ, ถ้าประกอบอาชีพเหล่านั้นนะอยู่วัดต่างไปเดือดร้อนตลอดเลยแหละทุกเหล่านี้นะเวลาเกิดขึ้นก็เผาทางกายแล้วก็ทางจิตทําให้จิตเศร้าหมองพระองค์ก็เลยตรัสว่าอุปายาตเป็นทุกข์ถ้าเปรียบเทียบทุกสามอย่างเลยนะว่าโสกะเหมือนการหุงน้ํามันเป็นต้นภายในภาชนะเท่านั้น ด้วยไฟอ่อนๆเวลาเราก่อนจะเจียวไข่ใช่ไหมก่อนจะเจียวไข่ทอดไข่ทั้งหลายเนี่ยก็น้ำมันอยู่บนอยู่ในอะไรน้ำมันในกระทะนี่นะก็นั่นโศกะเพิ่งเห็นอย่างนั้นแหละปริเทวะเหมือนการล้นออกข้างนอกภาชนะของน้ำมันที่หุงอยู่ด้วยไฟที่แรงเนี่ยน้ำมันมันลุกพุ่งขึ้นมาเลยนะไหลท่วมเลยปริเทวะเป็นเปรียบเหมือนอย่างนั้นส่วนอุปายาตเหมือนเห็นการ เคี่ยวจนแห้งภายในภาชนะนั่นนั่นแหละของน้ามันเป็นต้นที่เหลือจากการล้นไปข้างนอกไม่พอที่จะล้นไปได้นะมันก็เงือดเออก็เลยก็แห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งไปเรื่อยๆนะอันนี้เคี่ยวใช่ไหมต้องเคี่ยวสิอันนี้เคี่ยวนะก็ไม่ได้กลืนกินหรอกนะไม่ได้บดน่นะก็ความทุกข์ก็มีขึ้นมีขึ้นแห้งลงแห้งลงแห้งลงอนะเน้ วันก่อนบอกอะไรจนถึงก็ฝีกรัดน้องในหัวใจเลยนะทุกจนเป็นฝีในทั้งในหัวใจเลยเนะี่ยก็ทุกมากเลยแหละแต่เราน่าจะเคยเป็นกันมาแล้วอะนะทุกทั้งหลายก็รับกันมาแล้วแต่ชาตินี้ก็รับกันมาคนละไม่ใช่น้อยๆเลยนะ <c oughs> ส่วนมาขึ้นทุกอีกอย่างหนึ่งคืออัปยศสัมประโยชคทุก ไปประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเนี่ยนะที่พระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความรัคนด้วยรูปเสียงเกลื่นรถโพธะอันไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคร้ไม่น่าพอใจอ น, นะคือไปเจอปัญจารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาะหรือ ด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แปลว่าไปอยู่ต้องอยู่กับศัตรูเนี่ยนะต้องทนอยู่กับอมิตรเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะผู้ที่ไม่ปรารถนาความเกลื้อกลูลไม่ปรารถนาเอ่อปรารถนาสิ่งที่ไม่พาสุกปรารถนาความไม่กเกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นนี้เรียกว่าประจบกับสัตว์สังขารอันไม่เป็นที่รักต้องทนอยู่ในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยน ะ, ะ, นะะปัญหาอันนี้ก็มีกันไม่ใช่น้อ ย, น, ยนะ ใช่ก็มีในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยอดีตประวัติของโคสกะโคสกะเศรษฐีเนี่ยนะคือโคสกะเศรษฐีเนี่ยเนื่องจากอดีตตอนที่เขาเป็นนายโกตุฮาลิกะเนี่ยเขาเอาลูกไปทิ้งไงเอาลูกไปทิ้งอะ่ะพอเอาลูกไปทิ้งเนี่ยไม่ได้เจตนาจะฆ่าลูกแต่ว่าทิ้งลูกด้วยกรรมที่ทิ้งลูกอันนั้นเนี่ยตอนหลังแกก็มาเกิดนะัน ตอนหลังก็มาเกิดเป็นหมาเป็นหมาก็เหา่าพระประเจกับพุทธเจ้าเป็นต้นนะตอนมามาชาติหลังสุดแกก็มาเ ป, เ, นะเป็นลูกของโสเพนีเป็นลูกของโสเพณีเขาก็เอาไปทิ้งอพอเอาไปทิ้งก็มีเด็กเก็บมีคนเนี่ยไปเก็บได้เศรษฐีคนหนึ่งก็ก็รู้ว่าเด็กที่คลอดวันเนี้ยเนี่ยจะเป็นมหาเศรษฐีก็เนื่องจากเขามีหมอดูคํานวณ ว, ว่าวันเนี้ยถ้าเด็กไหนที่เกิดวันเนี้ยคนนั้นจะเป็นมหาเศรษฐี เศรษฐีคนนี้ก็เลยไปไปเที่ยวดูที่ที่ไหนมีเด็กบ้างก็ไปซื้อเด็กคนนี้มาพันหนึ่งก็เมียตัวเองกําลังท้องอยู่พอดีถ้าหากว่าเมียเนี่ยคลอดมาเป็นลูกสาวก็จะให้ชายเด็กคนเนี้แต่งงานด้วยแต่ถ้าเมียเนี่ยเป็นเอ่อคลอดลูกมาเป็นลูกชายก็จะฆ่าไอ้เด็กที่ซื้อมาวันนี้วันหลังก็คลอดลูกมาเป็นลูกชายก็เลยโคสกะเนี่ยมันก็ต้องการจะฆ่า วิธีค่าเขาก็ด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยนะก็เช่นจะไปให้วั ว, วเหยียบเนี่ยเช่นเวลาเขาจะสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีอะไรเนี่ยพวกพวกพอค้าเกวียนจะเดินทางไปค้าขายที่อื่นเนี่ยก็เอาเด็กเนี่ยไปวางไว้ที่ทางเกวียนอะ่ะตอนเช้ามืดเลยนะตอนที่ยังอะไรก็มองไม่เห็นแต่ด้วยกรรมที่เคยเห่าผ้าปักแจกเนี่ยก็ทําให้วัวนี่คร่อมเอาไว้แล้วก็ขายเห็นเนี่ยใครเห็นก็ต้องรักเด็กคนนี้แหละ ก็เลยเอาจะเอาไปเลี้ยงถือเป็นลูกเศรษฐีคนนี้ก็ต้องการจะคิดแต่จะฆ่าเด็กชายคนนี้เด็กชายโคสะกะนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยคิดฆ่าเอาฆ่าอย่างนั้นไม่สําเร็จก็ไปโยนทิ้งไว้ที่ป่าช้าเอาแพะก็ไปให้นมอีกคนเลี้ยงแพะเอาไปเลี้ยงอกีกก็ไปซื้อกลับมาคืนเอาไปโยนทิ้งไว้ที่กอไผ่ทิ้งเหวมันก็ตกไปใส่กอไผ่มันก็ไม่ตายอีกอะนะก็คิดถูกวางแผนฆ่าอย่างงี้หลายครั้งด้วยกัน ทีนี้เด็กมันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแต่ว่าเศรษฐีเนี่ยเห็นไอ้เด็กคนนี้ไม่ชอบเลยเห็นเห็นเด็กที่ไปซื้อมาเนี่ยเครียดทุกครั้งเลยแต่ว่าก็ก็ยังเรียกเรียกว่า ล, ลูกเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบที่หน้ามันเท่าไหร่นีพอมีอยู่วันหนึ่งก็เอ๊ะมันโตเป็นเด็กเล่นเป็นแล้วไปไหนมาไหนได้อายุเป็นสักสิบขวบเนี่ยนะก็ใช้ให้มัน วิธีฆ่าก็เลยเขามีสมัยก่อนมีโรงโรงหม้อใช่ไหมโรงหม้อก็เลยต้องการให้คนที่หม้อนี้เขาจะต้องมีการเผามีการสมหม้อดินให้มันให้มันภาชนะมันสุกไหมก็จะเอาเด็กเนี่ยปยัดไว้ในเตานั่ น, น, นเลยจะได้เผาให้มันรวดเดียวเลยก็เลยไปจ้างเจ้าของเจ้าของในช่างหม้อเนี่ยนะทีนี่ในช่างหม้อก็รับค่าจ้างพันหนึ่งก็เลยไป เศรษฐีนี่ก็ใช้ลูกใช้โคศกานี่ไปตอนใช้เนี่ยโคศกัปกติมันเป็นคนเล่นขลุบเก่งมากนะเป็นคนที่เล่นคลุบเนี่ยเก่งนี้ก็เดินผ่านไ ป, ไปไปเจอลูกของตัวเองที่กําลังเล่นคลุบพอดีอเด็กคนนี้ก็บอกพี่พี่เล่นแทนผมหน่อยอะผมเนี่ยแพ้เขาไปเยอะแล้วเล่นแทนผมหน่อยบอกไม่ได้พี่มีธุระจะต้องไปพ่อใช้ให้ไปพ่อเขาดูนะถ้าพี่ไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปแทนนงั้น ลูกเศรษฐีก็เลยถูกฆ่าตายยัดเผาเลยจริงๆเศรษฐีตอนนะเศจตกเย็นมาโคสกาก็กลับบ้านเศรษฐีก็เห็นอ้าวไหนใช้ไปก็บอกว่าน้องเขาขอไปแทนครับเหมือนนแกฟังแค่นั้นเนี่ยร้องเสียงหลงไปบ้านบอกนายนเงียบๆสำเร็จแล้วอนแกก็เลยเสียใจมากนะนั่งอันนั้นเริ่มเสียใจมากขึ้นมากขึ้น เขาบอกว่าเห็นโคสกะเห็นเนี่ยมันเหมือนน้ำทิ่มตาอยู่ตลอดเดวลาคิดวางแผนไปจะส่งไปให้เพื่อส่งไปฆ่านะส่งไปให้อีกเมืองหนึ่งฆ่าแทนส่งไปก็เท่ากับส่งให้ไปแต่งเมยเียเนี่ยะก็เลยได้ดิบได้ดีอยู่ทางโน้นไปเลยก็เลยเรียกกลับมาเพื่อที่จะตัดกองมรดกเนี่ยนะทางนี้ก็เริ่มป่วยขึ้นป่วยขึ้นนั้นเศรษฐีเนี่ยแกแกทุกโทรมนัดอยู่ตลอดชาตินะตอนหลังก็ก็ป่วยก็ตายอะ่ะ <c oughs> มันก็ถ้าถ้าต้องอยู่กับลูกอย่างนี้ตลอดชีวิตเนี่ยนะมันจะทุกข์ขนาดไหนนะแต่เราพูดถึงคนพูดถึงตัวเศรษฐีนะแต่ว่านายโคสการนี่ก็เป็นผลเศษกรรมที่ไปทิ้งลูกในในชาติหนึ่งนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ที่เราไม่น่าปรารถนาเลยเนี่ยนะนะก็เดือดร้อนอย่างนี้แหละหรืออย่างที่ผู้การว่าเมื่อกี้นะใครที่ทำงานแนละต้องมีการเขมนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ มันไม่กินเส้นกันเนี่ยโอ้มันจะทุกร้อนขนาดไหนใช่อันนั้นไม่ชอบนายบ้างไม่ชอบเพื่อนบ้างไม่ชอบลูกน้องบ้างอ่ะนะแล้วก็ทุกโทรมนัดขึ้นหรือว่าเป็นคนขี้ริษยาเนี่ยนะไปเจอคนได้ดีนี่พวกนี้ก็ทุกบ่อยนะคนที่มักริษยาคนอื่นเนี่ยนะเห็นคนอื่นได้ดีก็เดือดร้อนอะ ฟังข่าวคนอื่นได้ดีทีก็เสียใจทีเดือดร้อนทีทุกทีมันพวกนี้ก็ประจวบยิ่งประจวบกับอะไรนะเขาก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่พวกนี้ก็จะเดือดร้อนทุกวันเหมือนกันพอเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีมากกว่าตนพวกนี้ก็เดือดร้อนเอือมือไหนถ้าสังเกตดูนะมือที่ทานอาหารที่เราไม่ชอบอาหารชนิดนั้นเลยนะสัมปโยคะทุกที่ไม่อร่อยเลยนะหรือไหนนะ ร้านหนึ่งเนี่ยเขาขายไม่เป็เดียและเขาเคยมีความสัมพันธ์กันบก็ไปดูเจ้าของร้านนั่งหน้าดีไเ น, น <c oughs> เห็นเลยร้านขายยิงขายดีคนเข้าไปยเนี่ยนร้านเงียบมันไม่เป็น <c oughs> ไ, ไนะความรู้สึกเขา ม, มอออกเลยทุกร้อนขนาดไหนนะ <c oughs> คนอื่งเขาก็ได้ดีได้ดีไอเรานี่ก็มันมีแต่สุดลงสุดลงสุดลงอะนะ เหมือนอะไรนะถ้านาคนอื่นก็ข้าวก็สวยดูท่าจะดีแต่ทําไมนาเรามันจะเฉาตายเลยทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย น, นะนี่ก็ทําใจยากเหมือนกันนะหรือเอางี้ก็ได้คืนที่นอนไม่หลับเนี่ยนะคืนนั้นเนะี่สัมปโยคะทุกแรงมากนะพลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวากว็าแล้วเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคนที่ยิ่งบางคนนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็กระสับกระสายไม่ใช่น้อยเลยนะคือมันนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันไม่ค่อยหลับเลยนะ กลาคืนตื่นมาดึกๆทําไงคุณปิดาตอนที่ตื่นมาดึกๆคุณทำไงจเจริญกรรมฐานเลยไม่ค่อยอ่ะอ๋ะ อ, อ, อ, อกยย็เลยได้ถือโอกาสกายวิภาคกายกายบําบัดไปเลยนะ่นไแต่ว่าโรคบางอย่างเนี่ยนะที่ต้องนอนเนี่ยนอนก็ดูแต่เพดานอย่างเดียวเนี่ยไง ทั้งกร้ายแต่แดงสังเกตคนไข้ไหมใช่รอความตายรออะไรแล้วก็รอกลับบ้านเนี่ยนะก็ถามหมอทุกครั้งที่มาเยี่ยมเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านนี่ก็ลําบากทุกทรมานอย่างนั้นแหละพลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวากว็าแล้วงายก็แล้วมันก็ได้อยู่สามอย่างอ น, น, นะพลิกซ้ายพลิกขวากับ น, นอนงายอย่างนี้เลยโอยอยู่สักครึ่งเดือนเลยเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนะโอแต่ตั้งอยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ย พันพวกประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเขบอกว่าพลัดพรากกับของรักกับต้องอยู่กับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเนี่ยอันไหนทุกข์กว่ากันหมอพิพินสองอย่างเนี่ยนะถ้าให้เลือกเอาเลือกเอาอันไหนมันไม่น่าเอาทั้งคู่นั่นแหละแต่ถ้าเครียดว่ามันพลัดพรากมันแปบเดียวเดี๋ยวก็ทำใจได้ใช่ไ แต่จะต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักตลอดไปเนี่ยนะโอ้ยจะทุกข์ขนาดไหนนะเพราพวกอนิถาก็คือไม่น่าปรารถนาอากกันตาก็ไม่น่าพอใจเนี่ยนะอย่างคำว่าอนิถาก็คือสิ่งที่เขาไม่แสวงหานะคือไม่แสวงหาหรอแต่ว่ามันได้สิ่งนั้นกลับมาเนี่ยนะ น, นั่นแหละมันเป็นทุกข์ละ ส่วนรูปเป็นต้นใดที่ไม่ก้าวไปคือไม่เข้าไปในใจเหตุนั้นชื่อว่าอาการตาแปลว่าไม่เป็นที่รักใครนะมันไม่ยอมใจมันไม่ยอมรับเลยอ่ะใจมันไม่ยอมรับนี่สิมันทุกข์มากหรืออัมนาปาเนี่ยไม่น่ารักไม่น่าเจริญใจเลยนี่ก็อะไรนี่ไปรอรถเนี่ยนะสนุกไหมมีความสุขไหม ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีความสุขทั้ท ง, ทงที่เวลามันก็ไม่ได้ยาวอะไรนะมันก็แป๊บเดียวนั่นแหละแต่ว่าสัตว์โดยมากก็ร้อนโดนกระวนกระวายกั น, นอืม เราต้องเจออาหารที่แสนจะคาร์โหดอีกแล้วนะก็ก็ใครที่จะต้องทานสิ่งเดียวกันยาวนานๆเนี่ยนะจะรู้สึกกันนะคือไม่สบายใเลยนะต้องรถเดียวด้วยนะต้องรสเดียวกลิ่นเดียวฝีมือเจ้าเดียวกันรักษาได้ดีเยี่ยมเลยนะยาวนี่โอ้ย นนะอ๋อแต่เหล้านี้เยี่ยมเลยนะถ้ามีให้กินตลอดนะลถ้าเหล้าถ้าเหล้านี่ถ้ายิ่งเหมือนกันนะยิ่งได้คุณภาพเท่าเดิมหมดยิ่มเยี่ยมน่ะยิ่มเลยอนะ่ะน่ยิ่งกองไว้เยอะเยอะด้วยยิ่งชอบพว <laughs> กนี้ไปถามยมพ่อดู เปิดร้านขายเองายตาไปแล้วขอบคุณสารแล้วไหนอินผมก็ไม่เอาไม่กินแล้วนะเนี่ยก็ยอมที่ขับรถคนหนึ่งก็บอกเนี่ยผมไม่กินเลยนะเนี่ยใครชวนกินยังไงผมก็ไม่กินบอกเข้าพรรษาตรงนี้เข้าพรรษาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาไม่กินะปกติเนี่ยผมกลับบ้านต้องเบียร์กระป๋องหนึ่งกางังตอนนี้ไม่กินนะเข้าพรรษากางังใครชวนยังไงก็ไม่กินเข้าพรรษากางัง ก็ดีเหมือนกันนะเข้าพันษาก็ช่วยคนรักษาศีลขึ้นอีกเยอะนะแต่เขามีเขาทำวิจัยบอกว่าไอ้พวกนั้นแหละออกพันษากินมากกว่าเดิมอันนี้คือข้อเสียแหละชดเชยยังไงไม่ทราบร อ, รอืมใช่กิกววนยังค <c oughs> ืนนะ ก็พวกถือสินแปดดูเฮ้เนี่ยนะเช้ามา <c oughs> <c oughs> ก็เช้าวันที่ที่ถ้ายัางแบบตอนแรกๆเลยนะที่ไม่เคยรักษาเลยนะเช้าเนี่ยหิวมากเลยนะแล้วถ้าสมัยที่บวชใหม่ๆเนี่ยนะเขาฉันข้าวเก้าโมงไหมเก้าโมงลวมือเดียวเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึงเก้าโมงอีกมือหนึ่งเนี่ยหิวจริงๆเลยนะเห็นอะไรมันอร่อยไปหมดอนะข้าวคลุกอะไรก็อร่อยไปหมดเนี่ยนะ บางทีข้าวแห้งก็ยังอร่อยเลยอ่ะมันอบจริงจริงนี่มันอร่อยเป็นหมดเลยนะแต่ถ้าฉันเ อ, อมีอยู่มีกินดีอิ่มทุกมื้อนะแล้วก็ต้องซ้ําซากเท่าเดิมเท่าเดิมเหมือนเดิมตลอดไป้นี่นึ่ง <laughs> นี่ก็ <laughs> いい <laughs> เขาเข า, ขามีนะไอ้มีครอบครัวหนึ่งนะเขาเขาคือเขาชอบไอ้คร อ, อบครัวนี่มันก็หากับข้าวมันก็ได้ใช่ไหมมันก็ได้แต่เฉพาะมนะเขือพวงเนี่ย มาทํากับข้าวเก็บมะเขือพวงมาประกอบกับข้าวอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน้ ก, นก็ครอบครัวนี้มันลูกชายเยอะจังไอ้ลูกชายคนหนึ่งมาเห็นมะเขือพวงท่อมน้ําลายตายเลยทำใจไม่ได้มันทมน้ําลายตายกับข้าวเลยนะแล้วก็เดินลงบ้านไอ้คนอื่นอดหมดที่ชายพ่อนี่ยนะฮะดุมากเหมือนกัน ถ้าทุกขวา a เลยนะถ้าประจบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นานๆยาวๆนี่สงสัยจะจะทุกข์กันมากๆเลยนะ <c oughs> หรือว่าต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่ปรารถนาเอ่อแดนกเกษมจากโยค่าคือวิวัตตะเนี่ยหมายความว่าถ้าใครที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะปรารถนาความพ้นทุกข์ใช่ไหม แล้วต้องไปอยู่กับผู้ที่ไม่เขาเขารังเกียบวิวัตะเลยเนี่ยนะถามว่าจะทุกข์ขนาดไหนเพราะนั้นท่านก็บอกว่าบุคคลเหล่าใดย่อมไม่ปราถนาแดนกเกษมจากโยคะคือวิวัตะอันปราศจากภัยคือย่อมใค่ปราถนาวัตตะอันมีภัยนั่นแหละเพื่อโยคะสี่เหตุนั้นบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าอโยคเคอโยเคเขมะกามาผู้มุ่งทำลายแดนกเกษมจากโยคะ ถ้าเราจะรักษาศีลเขาก็เป็นคนที่ขวางศีลเราตลอดเนี่ยนะต้องอยู่กับคนที่เขาไม่ให้ศีลเราเจริญไม่ให้เราเจริญสมถาวิปัสนากรีดกันในการเจริญศีลสมถาวิปัสนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถามว่าเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยนะพวกนี้ก็โหสัมประโยชค่าทุกข์อย่างแรงเลยเนยีแค่ใครที่เคยเจริญกุศลธรรมได้บ่อยได้มากได้นานแล้วตอนหลังไม่ได้เจริญเนี่ย ก, ก็นับว่าเดือดร้อนนั้น คู่ที่ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเนี่ยนะไม่ว่าจะเจอศัตรูคู่เวรหรืออะไรก็ตามหละจะต้องทนอยู่ในสภาพแบบนั้นนานๆด้วยนะเป็นเดือนเป็นปีด้วยก็เคยเห็นบางคนนี่ก็บอกว่าทำไมท่าน้อมไปเขาบอกว่าต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่พอใจเนี่ยนะทนอยู่กับสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยเป็นหลายๆเดือนเนี่ยโห้อมเลยนะเห็นแล้ว้อมบอกมีเรื่องหนักใจว่า ง, งั้นต้องทนอยู่กับสิ่งไม่เป็นที่พอใจ นันผู้ที่ต้องอยู่กับโดยเฉพาะครอบครัวเป็นต้นเนี่ยนะแต่บางคนก็เห็นแก่ลูกใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละก็อาจจะหยากันก็นกนไม่ได้ก็พอเห็นแก่ลูกเนี่ยก็เดือดร้อนกันอยู่บ้านเดียวกันมองหน้ากันไม่ค่อยเต็มหน้าเนี่ยนะก็ถามว่ามันทุกร้อนกันขนาดไหนแล้วก็ที่ทํางานเดียวกันเนี่ยที่มองกันไม่ค่อยติดกันเลยเนี่ยนะไม่อยากเห็นหน้ากันเลยแต่มันต้องเห็นไม่อยากพูดคุยแต่จําเป็นต้องพูดเนี่ยวมันทุกขนาดน้อนะ มันก็ทุกเหล่านี้ถ้าผู้ที่ยังอยู่ในวะตะัตจคิดว่าจะพ้นไม้ก็ไม่พ้นนะนะจะต้องไปประสบแบบสิ่งเหล่านี้นะเป็นน้ำทิ่มตาอยู่ตลอดเป็นการบัวที่มาถูหูตลอดเนี่ยนะทุกข์ขนาดไหนต้องไปดมกลิ่นเหม็นๆตลอดเนี่ยนะพริยาบางคนเ็าบอกว่าเขาเนี่ย ว, วางแผนจะฆ่าสามีเขาบ่อยมากเขวบองั้น จ, จะฆ่ายังไงได้นะ เธอเขาบอกบางคนเนี่ยถ้ายิ่งไม่รับผิดชอบด้วยมันหาปัญหามาใส่บ้านเลยนะแล้วก็ผู้หญิงเป็นฝ่ายรับผิดชอบหมดเนี่ยนะถามว่าเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยนะก็บางครอบครัวเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางครอบครัวก็แม่บ้านกับนักพนันอย่างเดียวอ่ะนะเล่นหมดตัวหมดทั้งเงินหมดทั้งตัวด้วยนะแล้วสามีก็ต้อง้ทุกร้อนขนาดไหน มันก็วัตฏะมันก็จะต้องได้เกี่ยวข้องได้พบปะเจอเจอในสิ่งที่ไม่ควรพบควรเจอควรเจอก็จะมีสารพัดสารพันเนี่ยนะปัญหาในโลกนี้ถ้าสําหรับผู้ที่ยังเกิดอยู่จะต้องได้ประจวบทั้งหมดที่เราว่ามันทุกข์มันร้อนมันเดือดร้อนมันเสียหายนะีนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปประสบกับสิ่งนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้ปรารถนาวิวัตะเป็นธรรมที่สงบจากสังขารทั้งปวงนะสมควรกับเวลาแล้วนะ